เอปริหานิยสูตรว่าด้วยอปริหานิยธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสีประการไม่อาจเสื่อมชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานแน่แท้ธรรมสีประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. สมบูรณ์ด้วยศีล 2. คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 3. รู้จักประมาณในการบริโภค สีประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่หนึ่งหนงภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาฏิโมเพียพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แล ภิกษุคุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงมได้จึงรักษาจากขุนสีถึงความสารวมในจากขุนีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมู ลิมรถทางลิ้นถูกต้องโพธพภะทางกายรู้ธรรมรมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินรีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัตครอบงมได้จึงรักษามนินสีถึงความสารวมในมนินรีภิกษุคุ้มครองทวารในอินรีทั้งหลายเป็นอย่างนี้แล ภิกษุรู้จักประมาณในการบริโภคเป็นอย่างไรเผื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคลายแล้วจึงชันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อหมอเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกําจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจันทร์ด้วยคิดเห็นว่าเราจะ ก, กาจัดเวทนาเก่า และจกไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและการอยู่ภาสุจกมีแก่เราภิกษุรู้จากประมาณในการบริโภคเป็นอย่างนี้แลภิกษุประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองๆเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดวัน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 ด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัชิมยามแห่งราตรีภิกษุประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองๆเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แลไม่อาจเสื่อมชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานแน่แทภิกษุตั้งอยู่ในศีลสำรวมอินทร์รู้จับประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองๆ มีความเพียรอยู่อย่างนี้ไม่เกี่ยคร้านตลอดคืนและวันชื่อว่าบําเพญกุศนธรรมเพื่อบรรลุสภาวะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือมีปกติเห็นภัยในความประมาทไม่อาจเส่อมชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานแน่แท้อปริหานิยสูที่เจ็จบ นสูตรว่าด้วยภิกษุผู้หลีกเร้นภิกษุทั้งหลายเราเรียกภิกษุว่าผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้ผู้มีการสแสวงหาอันสละได้ดีผู้มีกายสังขารอันระ ง, งับได้ผู้หลีกเร้นภิกษุผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้เป็นอย่างไรคือปัจเจกสัจจะเป็นอันมากเช่นเห็นว่าโลกที่ยังบ้าง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 เหล่านั้นทั้งหมดของสมณะและพรามจำนวนมากอันภิกษุในธรรมวินัยนี้บันเทาได้กําจัดได้สละได้คลายได้ปล่อยวางได้ละได้สละคืนได้ภิกษุผู้มีปัจเจกสัจจะอันบันเทาได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้มีการสแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละการใฝ่หากราม และการสแสวงหาพบระงับการสแสวงหาพรหมจรรย์ได้ภิกษุผู้มีการสแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้มีกายสังขารอันระงับได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิไนนี้เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมณนัตและโทมนัส ด, ดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่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 ผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้ผู้มีการสแสวงหาอันสละได้ดีผู้มีกายสังขารอันระ ง, งับได้ผู้หลีกเร้นด้วยประการชนกรากา้การใฝ่หาการแสวงหาพบและการสแสวงหาพรหมจรรย์อันภิกษุในธรรมวินัยนี้สละได้เด็ดขาดแล้วการยึดถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงอันเป็นพื้นฐานแห่งทิฏฐิ ภิกษุถอนขึ้นแล้วด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุผู้คลายกำนัดได้ทั้งหมดหลุดพ้นเพราะสิ้นตันหาชื่อว่าสละคืนการสแสวงหาถอนรากฐานแห่งทิฏฐิได้ภิกษุนั้นแหลเป็นผู้สงบมีสติสงบระงับไม่พ่ายแพ้ชื่อว่าเป็นพุทธะเพราะละมานะได้เราเรียกว่าผู้หลีเกเลนปฏิลีนสูตรที่8จบ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 พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าแม้ท่านพระโคดมเองก็สรงสรเสริญยันของพวกข้าพเจ้าหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์เราไม่ได้สรรเสริญยันไปเสียทุกอย่างและเราก็ไม่ได้ติเตียนยันไปเสียทั้งหมดเราไม่สรรเสริญยันที่มีกิริยาหรือยันที่มีการฆ่าโคหนึ่งยันที่มีการฆ่าแพ แก่ 1. ยันที่มีการฆ่าไก่สุกรหนึ่งยันที่ทำให้สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนหนึ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตมรรย่อมไม่เกี่ยวข้องกับยันที่มีกิริยาอย่างนั้นพราหมณ์แต่เราสรรเสริญยันที่ไม่มีกิริยาคือนิจทานและอนุกุลละยันคือยันที่ไม่มีการฆ่าโคหนึ่ง ยันที่ไม่มีการฆ่าแพะแกะหนึ่งยันที่ไม่มีการฆ่าไก่สุกรหนึ่งยันที่ไม่ทําให้สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนหนึ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตมรรมย่อมเกี่ยวข้องกับยันที่ไม่มีกิริยาอย่างนี้มหายันที่มีกิริยามากเหล่านั้นคืออาสวะเมธบุรุษเมธสัมมาปาสะวาชะเปยยะ นิรักคละไม่มีผลมากพระอริยะผู้ปฏิบัติชอบสแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ย่อมไม่เกี่ยวข้องกับยันที่มีการฆ่าแพะแกะโคและสัตว์ต่างๆแต่พระอริยะผู้ปฏิบัติชอบสแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ย่อมเกี่ยวข้องกับยันที่ไม่มีกริยาเอื้ออำนวยประโยชน์ประชาชนบูชาทุกเมื่อและไม่มีการฆ่าแพะแกะโคและสัตว์ต่างๆ นักปราชพดึงบูชายันนี้ที่มีผลมากเพราะเมื่อบูชายันอย่างนี้ย่อมมีแต่ความดีไม่มีความชั่วยันย่อมแพร่หลายและเทวดาก็เลื่อมใสอุชยะสูตรที่เกจบ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 ย่อมไม่เกี่ยวข้องกับยันที่มีกริยาอย่างนั้นพรามแต่เราสรรเสริญยันที่ไม่มีกริยาคือนิจทานและอนุกุลและยันคือยันที่ไม่มีการฆ่าโคหนึ่งยันที่ไม่มีการฆ่าแพะแกะหนึ่งยันที่ไม่มีการฆ่าไก่สุกรหนึ่งยันที่ไม่ทำให้สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนหนึ่งข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระอาหารหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตตมักย่อมเกี่ยวข้องกับยันที่ไม่มีกิริยาอย่างนี้ท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์สำรวมระวังย่อมเกี่ยวข้องกับยันที่จัดเตรียมไว้อย่างดีไม่มีกิริยาเหมาะสมกับเวลาเช่นนั้นท่านผู้รู้ผู้ฉลาดในบุญมีกิเลสเปรียบเหมือนหลังคาอันเปิดแล้วล่วงเลยตรูลและคติในโลกย่อมสรรเสริญยันชนิดนี้ ถ้าบุคคลทำการบูชาในปกติทานหรือในมต ก, กะทานตามสมควรมีจิตเลื่อมใสบูชาในนาที่ดีคือท่านพรหมจารีทั้งหลายยันที่บุคคลบูชาดีแล้วเส้นสวงดีแล้วสมบูรณ์ดีทำไว้ในทักินัยบุคคลยันย่อมแพร่หลายและเทวดาก็เลื่อมใสบัณฑิตผู้เป็นนักปราชมีศรัทธามีใจพ้นแล้ว บูชายันอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่ปราศจากความเบียดเบียนเป็นสุขอุทายิสูตรที่10บจบจักวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. จักกะสูตร 2. สังคะสูตร 3. สีหะสูตร 4. อคัปปะสาทะสูตร 5. วัวสการะสูตร 6. โทนสูตร 7. อปริหานิยสูตร 8. ปฏิลีนสูตร 9. อุชยะสูตร 10. อุทายิสูตร 5. โรหิตัสสกหมวดว่าด้วยโรหิตัสสะเทพบุตร 1>, 1. สมาธิภาวนาสูตรว่าด้วยสมาธิภาวนาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาสี่ประการนี้สมาธิภาวนาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 2. สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว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 เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะสัรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทัฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่ สมาธิภาวนานี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ยานทัศนะเป็นอย่างไรเคยภิกษุในธรรมวินัยนี้มานักการถึงอะโลกัสัญญาความกําหนดหมายในแสงสว่างอธิฐานณทิวาสัญญาความกําหนดหมายว่ากลางวัน ว่ากลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่สมาธิภาวนานี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ยานทัศนะสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้รู้แจ้งเวทนาที่เกิดขึ้น รู้แจ้งเวทนาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งเวทนาที่ดับไปรู้แจ้ง<จ>สัญญาที่เกิดขึ้นและถึงรู้แจ้งวิตกที่เกิดขึ้นรู้แจ้งวิตกที่ตั้งอยู่รู้แจ้งวิตกที่ดับไปสมาธิภาวนานี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว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 ภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาสี่ประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายก็คำนี้เรากล่าวไว้ในปุณณะปัญหาในปารายณะวัตรหมายถึงข้อความนี้ว่าบุคคลใดรู้สิ่งสูงต่ำในโลกไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้วันไวในโลกไหนไหนเรากล่าวว่าบุคคลเป็นผู้สงบไม่มีควาคือความโกรธไม่มีกิเลสกระทบจิต ไม่มีความหวังข้ามพ้นชาติและชราได้แล้วสมาธิภาวนาสูตรที่หนึ่งจบ 2. ปัญหาพยากรณะสูตรว่าด้วยวิธีการต่อปัญหา ภิกษุทั้งหลายการตอบปัญหาสี่ประการนี้การตอบปัญหาสประการอะไรบ้างคือ 1. เอกังสะพยาการณียปัญหาปัญหาที่ควรตอบโดยในเดียว 2. วิพัชสะพยาการณียปัญหาปัญหาที่ควรแยกตอบ 3. ปฏิปุจชาพยากรณียปัญหาปัญหาที่ควรตอบโดยย้อนถาม 4. ถาปัญยะปัญหาปัญหาที่ควรงดตอบภิกษุทั้งหลายการตอบปัญหา4ี่ประการนี้แลหล 1. ่ตอบโดยในเดียว 2. แยกตอบ 3. ตอบโดยย้อนถาม 4. งดตอบอันหนึ่งบัณฑิตเรียกภิกษุผู้รู้ความเหมาะสมในฐานะแห่งปัญหานั้นๆว่าเป็นผู้ฉลาดในปัญหาทั้งสี่ บุคคลเช่นนั้นใครๆเทียบได้ยากเอาชนะได้ยากเป็นคนลึกซึ้งให้แพ้ได้ยากและฉลาดในประโยชน์ทั้งสองคือด้านเจริญและด้านเสื่อมบัณฑิตย่อมเว้นด้านเสื่อมถือเอาด้านเจริญทีระชนเพราะรู้จักประโยชน์ชาวโลกจึงเรียกว่าบัณฑิตปัญหาพยากรณะสูตรที่สองจบ 3. ปฐมมปโธทครุสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้มักโกรธไม่เคารพสัทธรรม 2. บุคคลผู้มักลบหลู่ไม่เคารพสัทธรรม 3. บุคคลผู้เห็นแก่ลาบไม่เคารพสรัทธรรม สีบุคคลผู้เห็นแก่สักการะไม่เคารพสรัทธรรมภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้เคารพสรัทธรรมไม่มักโกรธ 2. บุคคลผู้เคารพสรัทธรรมไม่มักลบหลู่ สบุคคลผู้เคารพสรัทธรรมไม่เห็นแก่ลาบ 4. บุคคลผู้เคารพสรัทธรรมไม่เห็นแก่สักการะภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจ่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกภิกษุผู้มักโกรธมักลบหลู่เห็นแก่ลาบและเห็นแก่สักการะย่อมไม่งอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วส่วนภิกษุผู้เคารพสัทธรรม ทั้งในอดีตและปัจจุบันย่อมงอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วปฐมโปทะครุสูตรที่สจบ 4. ทุติยะโปทะครุสูตรว่าด้วย บุคคลผู้มักโกรธสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายอาสัต ธ, ธรรม4ี่ประการนี้อสัตธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้มักโกรธไม่เคารพสัตธรรม 2. ความเป็นผู้มักลบหลู่ไม่เคารพสัตยธรรม 3. ความเป็นผู้เห็นแก่ลาบไม่เคารพสัตยธรรม 4. ความเป็นผู้เห็นแก่สักการะไม่เคารพสัตธรรม ภิกษุทั้งหลายอาสัตธรรม4ี่ประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายสัตธรรม4ประการนี้สัตธรรม4ี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้เคารพสัตยธรรมไม่เป็นผู้มักโกรธ 2. ความเป็นผู้เคารพสัตยธรรมไม่เป็นผู้มักลบหลู่สความเป็นผู้เคารพสัตยธรรมไม่เป็นผู้เห็นแก่ลาบ 4. ความเป็นผู้เคารพสัตธรรม ไม่เป็นผู้เห็นแก่สักการะภิกษุทั้งหลายสัตยธรรมสีประการนี้แหลภิกษุผู้มักโกรธมักลบหลู่เห็นแก่ลาบและเห็นแก่สักการะย่อมไม่งอกงามในสัตยธรรมเหมือนพืชที่หวานไว้ในน้ไม่ดีส่วนภิกษุผู้เคารพสัตยธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันย่อมงอกงามในธรรมเหมือนต้นไม้งอกงามเพราะยางเหนียวฉะนั้น ทุติยโกทภพรุสูตรที่สจบ 5. โรหิตัสสะสูตรว่าด้วยโรหิตัสสะเทพบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าพระเจตวัน อารามของอนาทบิบนิกะเศษ K. รษฐีเคกรงสาวัตถีครั้งนั้นโรขิตัสสะเทพบุตเมื่อราตรีผ่านไปมีวันณะงามยิ่งทำพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเด็กกราบทุนพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 อยู่จบพรหมจรรย์สงบระงับรู้ที่สุดแห่งโลกย่อมไม่หวังทั้งโลกนี้และโลกหน้าโรฮิตตัสสูตรที่หจบ 6. ทุติยโรฮิตตัสสูตร ว่าด้วยโรหิตตสะเทพบุตรสูตรที่สองครั้นราตรีนั้นผ่านไปแล้วพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปโรหิตตสะเทพบุตรมีวั น, นงามยิ่งทำพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ยืนอยู่ณที่สมควรได้ถามเราดังนี้ว่า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 พึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปภิกษุทั้งหลายเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วโรหิตตัสสะเทพบุตรเด็กกล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศ จ, จรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไ ม, ม่จุติไม่อุบัติว่า พึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปค่าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วข่าพระองค์เป็นฤาษีชื่อโรหิตตัดสะเป็นบุตรของผู้ใหญ่บ้านมีฤทธ์เหาะได้ความเร็วของข่าพระองค์นั้นเปรียบได้กับนายขมังธนูผู้ยิงธนูแม่นยำศึกษามาดีแล้วผู้เชี่ยวชาญฝึกซ้อมมาดี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 สุวิทุรสูตรว่าด้วยสิ่งที่อ mm ยู่ห่างไกลกันเหลือเกินภิกษุทั้งหลายสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินสี่อย่างนี้สิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินสี่อย่างอะไรบ้างคือ 1. ท้องฟ้ากับแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่หนึ่งฝั่งนี้กับฝั่งโน้นของทะเล นี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่สองจุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นกับจุดที่ดวงอาทิตย์ตกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่ส4ทําธรรมของสัตว์ปรุษคนดีกับธรรมของสัตบุรุษคนชั่วนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่สภิกษุทั้งหลายสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินสอย่างนี้แล นักปราทั้งหลายกล่าวว่าฟ้ากับดินอยู่ไกลกันฝั่งทั้งสองของทะเลอยู่ไกลกันจุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกก็อยู่ไกลกันบัณฑิตกล่าวว่าทำของสัตว์ปรุษลัดกับทำของอาศะประหลุษอยู่ไกลกันยิ่งกว่านั้นสมาคมของสัตว์ปรุษยัย่งยืนนานดำรงอยู่ตราบนานเท่านานส่วนสมาคมของอาัะประหลุษย่อมจืดแจงเร็วเพราะฉะนั้น ธรรมของสัตว์บุรุษจึงห่างไกลจากธรรมของสอัตบุรุษสุวิทูรสูตรที่7จ็จบ 8. วิสาขะสูตรว่าด้วยการแสดงธรรมของวิสาขะปัญจาลิบุตร สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณิกเกษตีเขโครุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแหลท่านวิสาขะปัญจาลิบุตรชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายในหอฉันเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหาแกล้วกล้ า, ลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคทถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไมหยาบคาย ให้รู้ความหมายได้เกี่ยวเนื่องกับนิพานไม่อิงอาศัยวัตตะครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายใครหนอชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายในหอฉันเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเ้าใจให้อาถานวกล้า ปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้เกี่ยวเนื่องกับนิพพานไม่อิงอาศัยวัตตะภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านวิสาขะปัญจาลิบุตรชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายในหอฉันเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเ้าใจให้อาหานกล้าวกล้า หลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้เกี่ยวเนื่องกับนิพพานไม่อิงอาศัยวัตตะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านวิสาขะปัญจาลิบุตรดังนี้ว่าดีจริงดีจริงวิสาขะดีเหลือเกินที่เธอชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัต เราจะให้อาถานก้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้เกี่ยวเนื่องกับนิพพานไม่อิงอาศัยวัตตะบุคคลผู้ไม่พูดชนทั้งหลายย่อมไม่รู้ว่าเป็นคนพานหรือบัณฑิตส่วนบุคคลผู้ที่พูดชนทั้งหลายย่อมรู้ว่าเป็นผู้แสดงอมตะธรรม บุคคลพึงประกาศเชื่อชูยกย่องธรรมซึ่งเป็นธงชัยของฤาษีฤาษีทั้งหลายมีสุภาษิตเป็นธงชัยธรรมเป็นธงชัยของฤาษีวิสาขสูตรที่แดจบ